เรื่องเจ้าลิชวีแต่งกายประกวดกันแล้วเกิดภัยพระศัสดาเมื่อประทับอยู่นกุตาคารศาลาเมืองเวสาลีทรงปรารพพบรบพวกเจ้าลิชวีได้ยินว่าพวกเจ้าลิชวีแต่งกายประกวดกันในงานมหรสพวันหนึ่งต่างองค์ต่างประดับประดาอาภรณ์ไม่เหมือนกัน พระสาสดาสเสด็จเข้าไปบินธบส่งเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูพวกเจ้าลิชวีพวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าลิชวีเหล่านั้นเถิดพวกเจ้าลิชวีเมื่อเข้าไปสู่อุทยานพาหญิงนครโสเพณีคนหนึ่งไปวิวาทกันเพราะหญิงนั้น ยังเลือดให้ไหลนองดุดแม่น้ำครั้งนั้นเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าลิชวีเหล่านั้นมาฝ่ายพระสัสดาทรงพัฒกิจเสร็จก็เสด็จออกมาพวกภิกษุเห็นพวกเจ้าลิชวีถูกหามออกมาจึงกราบทูลพระสัสดาว่าเมื่อเช้ายังลายเห็นราวกับเทวดาบัดนี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศแล้ว พระศาสดาทรงตรัสว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากความยินดีภัยจะมีแต่ที่ไหนในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละ ผู้มีความยินดีย่อมมีความโศกผู้มีความยินดีย่อมมีภัยอันความยินดีคืออภิชาโลภะราคะตัณหาย่อมเกิดมาแต่ชันทะความพอใจยินดีโลภะเจตสิกในอกุศลจิตเป็นเหตุคือสมุทยัยเป็นตัณหาให้เกิดทุกข์พึงตัดเหตุด้วยการเจริญอริยมรรคพึงมีสติคุมผัสสะ ขณะเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นพึงดับเวทนาไม่พึงยินดีถ้ายินดีย่อมโศกย่อมมีภัยด้วยประการชนีการเจริญสติสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นนั้นไม่ชอบไม่ชังเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าย่อมไม่โศกย่อมไม่มีภยัย